นาโมทัสสะอาคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะอาคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะอาคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะาคัวะติโรโกกัมมังพุทธสนะโมทัสสิ ยะดิดังฮ <ts> <default> ีนะกปณิตตายะกตีอิมัจสะธรรมะปริยายาสะอัธโทสาธายาสัมมันเตหิสกจังธรมโมโสตโบตีเอาเข้าที่นั่งสมาธิไปอ่านภาวนาฟัง ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้าย <c oughs> สติสติธรรม <c oughs> สติคือความระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจขณะนี้พระพเจ้าจะปฏิบัติบูชาบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอให้นำใจของข้าพเจ้าจงสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเถิน น้อมความระลึกรู้กับความรู้คือใจตั้งแน่วแน่ไว้เฉพาะใจเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าประทับคู่บันลังสมาธิอยู่ที่ตรงกลางหน้าอกของเรา นึกเอานึกเอาอนุมานเอาเหมือนกับพระรูปพระชมของพระองค์นั่งอยู่ตรงกลางหน้าอกของเราเนุทธะคือท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งตรงกลางหน้าอกของเรา สติกับลมหายใจของเรากับความรู้เีววรรวย ว, นนว่าคำวริกรรมคาบริกรรมคำนึกนึกว่าพุทธนึกว่าโทนั่นเรียกว่าคำวริกรรมวริกรรมนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พุโทโธพุทโธคำวริกรรมหนึ่งสติความระลึกรู้ควบคุมอยู่กับคำวริกรรมเรกว่าสติ ความรู้คือใจคำบริกรรมใจสติสามอาการให้กลมกืนกันหายใจเข้าไปพุทธรู้และลึกรู้นึกพุทธหายใจออกนึกโทพท พุทโธไม่มีอะไรมากมายอันนี้คืองานงานบริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธเป็นการนึกเอาคุณของพระพุทธเจ้า กลอมให้ความรู้กลมกลืนกันความนึกนี่เป็นสมมุติความรู้คือใจนี่อันนั้นไม่ใช่สมมุติอันนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรู้หรือว่าเป็นพุทธเป็นพุทธแท้อยู่ที่ความรู้นั่นเป็นธรรมะแท่ที่อยู่ที่ความรู้นั่น เป็นสังฆะแท้อยู่ที่ความรู้นั่นพุทธโธธรรมโมสงโค ร, รวมแล้วเข้าเป็นความรู้ความระลึกรู้อันเดียวเพราะจรนั้นจึงรวมโมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมมานึกเอาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากอาสวะกิเลสอรหังส ม, มาสัพุทโธพระพุทธททเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอระหันตัดสรู้เองชอบีจึงนจึงนึกเอาเพียงคำเดียวคือพุทธโธ แน่วแน่นี่เรียกว่าเป็นงานเป็นงานภาวนาการได้ยินได้ฟังก็เป็นกระแสธรรมกอม ได้ยินได้ฟังเรื่องราวอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดความแก่ความเก็บความตายความพัดผาจากของรักของชอบใจีเป็นชื่อเป็นอาการออกจากใจเมื่อรวมแล้วก็คือใจ ความไม่เที่ยงใจเป็นผู้รู้ความไม่ใช่ตัวตนใจเป็นผู้รู้คำว่าอนัตตาอเิจังหรือททกขังใจเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเพื่อเป็นการกรอมใจหรืออบรมใจบ่มใจให้สติ สติธรรมแล้วลึกลู้แล้วลึล ก, ลวลลกลู้ต่อเนื่องจนแนว่วแนว่วแนว่วในอารมณ์บริกรรมมันเดียวได้แล้วใจของเราจะสบายใจไม่ทายแสไม่วอกแวก กำหนดลู่หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆวลงๆ่งสักสามครั้งเแี่ก็ปล่อยตามปกติหรือเราเคยกําหนดแบบไหนวิธีไหนทำให้ใจแนวอยู่ในความลู่ ความระลึกรู้อันเดียวร <c> ว <oughs> มใจให้แน่แน่ให้สงบในอารมณ์อันเดียวซส่ยก่อนกรมมนาวัตติโรโกพุทธภาสิตที่ยกขึ้น ในเบื้องตน้นแปลใจความว่าสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมหมายถึงการงานหรือว่าการกระทากรร ม, มะกรร ม, มะคือการงาน การงานที่กระทำกระทำทางกายพูดทางวาจานึกคิดทางจิตใจเรียกว่ากายกรรม วจีกรรมมโนกรรมในสังสารวัฏหรือในวัตจักสามพระพุทธเจ้าทรงสแสดงกิเลสวัฏธรร ม, มวัฏ วิปากวัตความหมนุนความหมุนของกายของวาจาซึ่งมีใจเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาฐานที่เป็นฐานอันใหญ่ เป็นเหตุอันใหญ่ที่จะให้เกิดที่จะให้สัมผัสกับคำว่ากิเลสสวัสด์หรือกรร ม, มวัตดะกวิปากัวัต กิเลสคืออาการที่เกิดที่ใจเรียกว่าเป็นกิริยาของใจเป็นกิริยาแทรกซ้อนในธรรมชาติรูปคือใจกิเลส เป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสคือความอยากความอยากเกิดเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ของสังขารของวิญญาณ น, นามรูปอายตนะ หัตสตันหาอุปทานนี่จะเป็นอาการสืบทอดเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีใจเป็นที่เกิดของกิเลสของตันหาของความอยาก ความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากสุขเนี่ยเป็นกามมตัญหาอยาก ในรูปเสียงกินรสในเมื่อมีรูปอยากเห็นรูปอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากถูกต้องสัมผัสนีเกวากิเลสกา ม, มกิเลสกามวัตถุกรม ความอยากได้เครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยที่เป็นวัตถุสมมุติต่างๆเรียกว่าวัตถุกรมกิเล ส, สกรมวัตถุกมรมรวมเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นตัวหนุน ให้เกิดความอยากกระทำมีากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกระทำออกมาจากคิดใจก่อนตัวบงการอยู่ภายในใจ วงการออกมาหให้พูดทางวาจาให้ทำทางกายแค่ก็ให้นึกให้ปรุงที่เป็นสังขารนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดนึกคิดโกรธนึกคิดโลภนึกคิดอิจฉาพยาบาท นี่เรียกว่าเป็นกรรมทางจิตกรรมทางความนึกคิดมาพูดออกไปทางวาจาเราประกอบเป็นความหยาบเกี่ยวข้องออกไปทางกายทางวาจาด้วยแล้วกระทํากิริยาการทางกาย ก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกายด้วยนี่เมื่อทากรรมลงไปแล้วก็มีผลถังเรียกว่าวิบากผลวิบากว่าวิปากะธรรมะธรรมา กุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาพระยากตาธรรมมาทำด้วยความฉลาดทำด้วยความหลงพูดด้วยความหลงนึกคิดด้วยความหลงทำทางกายด้วยความหลง ก็เรียกว่าเป็นอกุศลเป็นความไม่ดีทำด้วยปัญญาเรียกว่าทำด้วยกุศลด้วยความฉลาดเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นผลวิบากให้ได้รับความสุขความทุกข์ ความสมปรารถนาไม่สมปรารถนาตามความอยากที่เกิดขึ้นซึ่งมีใจเป็นผู้รับลูกไปตามผลวิบากที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นความดีหรือความไม่ดีจะหมนุนขมุนอยู่ไปตามกิเลสตามความหลงคืออวิชชาโมหะ ก็จะหมุนอยู่วนเวียนอยู่ในกิเลสสวัสด์กรรมวัตวิปากวัตหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้จะให้สงความป่าทนาตามความอยากซึ่งเป็นเรื่องของกิเลส ที่อยากไม่มีเหตุมีผลอยากไม่รู้ความเกิดความดับไม่รู้ตามความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจะไม่มีที่จบสิน้นความอยากนี่เปรียบเหมือนนันกับเป็นเชือไฟเชือไฟย่อมจะเผาไหม เหลวไฟที่เป็นเหลวแห่งความร้อนจะเผาไหม้เชือของไฟไปเรื่อยเมื่อมีเชืออยู่ที่ไหนก็จะลามไปเรื่อยเปรียบเหมือนกันกันกบความอยากเมื่อมีความอยาก ไม่มีเหตุผลลุกลามไปเรื่อยความดิน้นรนความกวนกวายความทุกข์เกิดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อใดระงับความอยากหรือดับความอยากที่ท่านเรียกว่าดับตันหาหรือถอนตันหา ถ อ, อนตัณหาคือความอยากด้วยมรรคข้าพติปทาคือสติปัญญาเข้ามาพิจารณาให้รู้เท่าทันความอยากนี่ให้มีเหตุมีผลในความอยากที่มันเกิดขึ้น ที่เรียกว่าตัณหาสามมันอยากยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสยินดีอยู่ในวัดสดุกามตามความอยากปาถนาตามสมมุติ มีนั่นมีนี่ได้นั่นได้นี่จะมีความสุขอย่างนั่นอย่างนี่มันจะไปอยู่อย่างนี้เรื่อยไปต่อเมื่อใดมามีวิตกวิจาร์คือพินิษพิจรารณาไข้ควรเหตุผล เรียกว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาสกัดสกัดตัณหาคือความอยากไม่ไหลาตามไม่ปล่อยให้ความรู้ผู้รู้คือใจเนี่ยไหลไปตามแล้วก็ไม่ปล่อยให้สัญญาสังขาร คงแต่งไปตามความอยากสกัดกั้นด้วยธรรมคือสติและปัญญาไขควรเหตุผลในสิ่งที่มีความอยากความปราถนานั้นว่ามันมีเหตุผลยังไงมันเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันยังไง คือว่ามันไม่ได้จำเป็นกับการพึ่งพาอาศัยมันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงมายาของความอยากที่เกิดขึ้นจากใจนั่นเฉยๆนี่เียวใช้ปัญญาหรือใช้วิตกวิจารท่านเรียกว่า ยกกิจขึ้นสู่วิปั ส, สนาคือการพิจารณาีพจึงจะรู้ความจริงจึงจะเข้าใจความกิ่งของวิถีของสัญญาสังขารวิถีของความอยากที่เรียกว่ากิเลส จึงจะรู้หน้าตาของกิเลสคืออะไรหรืออะไรเป็นกิเลสคำว่ากิเลสสวัสด์กรร ม, มวัดวิปากวัตรนี่จะหยุดจะหยุดกงกรรมจะหยุดกงแห่งความหมนของจิตให้มีที่จ บ, จบสิน้น ได้ด้วยธรรมะคือสติสรรมาธิและปัญญาพะคาว่าปัญญาก็คือความเห็นความรู้ความเห็นความรู้ชอบความเห็นชอบ ในส่วนของข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามักขะปฏิปทาในหนทางปฏิบัติไปสู่ความ รู้จริงเห็นจริงในธรรมหรือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ความพ้นจากทุกข์จะพ้นได้ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมในส่วน ศีล น, นั่นเป็นเบื้องต้นที่ว่ามรรคแปรดรวมลงได้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาศีลเป็นส่วนเบื้องต้นที่เรารวมสมรวมใจตั้งสติกำหนดใจมีเกตนาแน่วแน่ รวมตัวอยู่ในฐานอันใดอันหนึ่งที่เราบริกรรมภาวนานี่เป็นเบื้องต้นวรวมใจให้อยู่กับอารมณ์อันเดียว คือสังวรศีระสังวรสังวรกายวาจาใจคือความรู้ๆ่นี่แหละตั้งเจตนาสังวรตามสมมุติตามบัญญัติในส่วนอยากท่านสมมุติท่านบัญญัติกับเรื่องวาจาเรื่อง ายไม่ทำโทษทางกายทางวาจาและก็รวมเข้ามาสู่ใจมีความระลึกไว้ชอบในการที่จะไม่ล่วงเกินโทษระลึกให้เห็นโทษให้เห็นความทุกข์ยากลำบาก โทษที่เกิดขึ้นเพราะความไม่สำรวมไม่สังวรความไม่มีศีลความปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยความรู้ไหลไปตามความหลงทะเยอทะยานอยากอย่างมุ่นอย่างนี่ มันจะเกิดโทษให้เกิดความวุ่นวายเกิดเกิดความเล่าร่อนเกิดความบกพร่องอเกิดความไม่เที่ยงไปเรื่อยเรื่อยเรืยไม่เที่องไม่เที่ยงในความสุขไม่เที่ยงในความสงบเพราะความปล่อยเพราะความไม่มีสติไม่มีศีระสังวร เมื่อเห็นโทษเช่นนั้นก็มาเชื่อมั่นตั้งมั่นลงในการสังวรมีสติควบคุมกายวาจาใจแล้วก็มาใช้ปัญญาในกายกจิต ยกความรู้ขึ้นสู่การ น, นึกคิดใช้จิตติตตังผู้นึกคิดใช้สังขารปรุงแต่งปรุงแต่งไปในธรรมในเรื่องของธรรมเรื่องของความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตา รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเนี่ยความแปรปวนมันก็แปรปวนอยู่ในขันห้าในกองห้าอย่างนันเป็นอุปกรณ์นันเป็นอุปกรณ์เพิ่ม กรรมเพิ่มเหตุที่ให้เกิดการกระทาไปในทางที่ผิดในทางที่ให้เกิดความไม่สงบไม่เป็นปกติ พิจารณารอบรู้อยู่ในความจำได้หมายรู้เดี๋ยวมันจะเกิดสัญญาอารมณ์อันนั่นอันนี้ขึ้นมาตัวสติเนี่ยรู้เท่ารู้ทันนะพิจารณา แยกแยะค้นพ้อด้วยเหตุผลสรุปลงสู่ความแปลปวนซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎความจริงตายตัวในสมมุติเนี่ยสมมุติก็คือกิเลสกรรมวิบาก สิ่งเล่านี่มันอยู่ในวงสมมุติที่มันเกิดกับใจหรือว่ามีใจเป็นที่เกิดหรือมีใจเป็นธรรมชาติรู้มันเป็นอาการเกิดดับเกิดดับเหมือนกันมาใช้ปัญญาพิจารณา ความอยากนี่แหละที่เป็นเหตุเบื้องต้นให้เกิดขึ้นเป็นอาการเป็นอาการของของกรรมของกิเลสว่ามันมีความอยากมันก็ปรุงแต่งมันก็ฟุ้ง รู้เท่าความอยากระงับความอยากหรือมีเหตุผลต่อความอยากในปัจจุบันความอยากที่มันมีมากๆมันก็จะสงบลงสงบลงพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลอย่างแจมแจ้งอาการอยากนั้นก็จะระงับไป <c oughs> ไม่มีปฏิกิริยาแห่งความอยาก ไม่มีปฏิกิริยาแห่งอุปทานความเข้าประยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้เท่าทันอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตในความรู้เนี่ยอาการเหล่านั้นมันก็จะ สงบไปหรือดับไปเรียกว่าความอยากดับไปความหลงเพราะความหลงดับไปเพราะเกิดความรู้ความหลงดับไปเพราะเกิดความรู้เพราะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวะทั้งหลายเมอเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงความเมืดก็สิ้นสุดไปความอยากก็สิ้นสุดไปเดี๋ยวแต่ธรรมชาติรู้ที่เมื่อรู้ความจริงแล้ว แต่ว่ามันยังอาศัยกันอยู่มันยังทำงานร่วมกันยั ง, งกลมเกลินกันอยู่ถึงแม่ความอยากจะมีอาการอยากมันก็เป็นความอยากเะที่อยากด้วยความรู้ไม่ใช่อยากด้วยความหลงมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภยัย มันก็ไม่เป็นความทุกข์ไม่เป็นความร้อนเขาลนจิตใจเขาลนความรูนจริงว่า <c oughs> ตัดกรรมหรือระงับกรรมด้วยปัญญา ด้วยธรรมคือปัญญาณชอบกรมุนาวัตติโรโกสโลกเป็นไปตามกรรมคือการกระทาการนึกการคิดการพูดทั้งวาจาการทำทางกายด้วยกิริยาของกาย <c oughs> ทำอะไรออกมาสิ่งที่ดีหรือชั่วก็จะเป็นผล ให้ผลให้เป็นวิบา ก, ากเมื่อทำกรรมแล้วก็เป็นวิบากให้ได้รับเป็นความสุขความทุกข์กรรมมังสเตวิพัสติยดิรังฮีนะปนิตตายะกรรมยอมจำแนกแยกจำแนกก็คือแยกกรรมยอมแยกให หยาบละเอียดที่ท่านว่าเลวหรือปานิษกรรมย่อมจำแนกให้เลวเรืปานิษไปตามเหตุปัจจัยที่กระทำนันนั่นนี่เป็นสมมุติยังอยู่ในวงสมมุติ ที่เมื่อมาลู่เหตุลู่ผลลู่เท่าทันกายกรรมวจีกรรมโนกรรมลู่เท่าทันวิปา ก, กวัฏกรรมทั้งหลายก็สงบระงับอันจริงว่าแก้กรรม หรือตัดกรรมที่ในธรรมะชั้นสูงทัานบอกไว้ว่าตัดกรรมชรูปและวิบากขันสิ้นสุดลงได้ด้วยปัญญายานัทสนะหรือปัญญาสมาธิความเห็นชอบเนี่ยเมื่อตัดกรรมด้วยปัญญา แล้วก็สิ้นสุดไม่มีกรรมไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมก็ไม่ได้กระทำก็ไม่มีวิบาก ค, คือผลเมื่อมันมีมาแล้วก็ต้องยอมรับ มันมีมาแล้วกรรมที่ได้ทําไว้แล้วที่มีมาแล้วก็ยอมได้รับผลก็ยอมรับผลที่เรียกว่ามิบากเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทุกทางกายทุกทางใจ <c oughs> มันมาจากมันเป็นผลมาจากเหตุทั้งนั้น มาแก้กรรมมาละกรรมหรือว่าตัดกรรมคือตัดการกระทำแก้ด้วยการไม่ทำแก้ละเอียดเข้าไปด้วยการภาวนาเพื่อไม่ให้มีความหลงให้เกิดความรู้รู้สมมุติทั้งหลายตามเป็นจริง บรรดาโลกสมมติเนี่ยก็คือสมมตนินั่โลกคือดินฝ้าอากาศโลกคือหมูสัตว์ก็คือหมูมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายสัตว์น้าสัตว์บกนี่เรียก ว, ว่าสัตวโลกสัตวโลกที่เกิดมาหรือมีมาแล้วก็หมุนไป เพราะความหลงมันมีความหลงมันมีเชื่อแห่งความหลงจึงเป็นเหตุให้เกิดเพราะนัามนมันจึงเกิดมาเรื่อยๆอย่างจิตวิญญาณหรือใจมันถึงไม่มีที่สิ้นสุดแต่ที่นี่ท่านก็ให้มา รู้ตัวเองบัดที่นี่ความสุขและความทุกข์จิตใจของเรามีมาแล้วหมุนไปเวียนมาเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ที่น่นที่นี่ปัจจุบันใกล้ๆนี่ก็คือมันเกิดในภพแห่งอารมณ์แล้วก็นึกคิดเรื่องนุ่นนึกคิดเรื่องนี่อารมณ์อันนั้นอันนี้ พระสันท่านจึงให้มาดับมาตัดกระแสภพด้วยสมถะธรรมในเบื้องตน้นที่ให้บริกรรมให้นึกคำเดียวรูปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอันเดียวนี่เป็นการตัดกระแสแห่งความหมุนในปัจจุบันแต่ละขณะกิตขณะกิต เพื่อให้มันมีกำลังแทงทะลุเข้าไปสู่มหาเหตุคือใจหรืออวิชชาที่ความไม่รู้ตามเป็นจริงทำความรู้ตามเป็นจริงให้เกิดขึ้นด้วย มัคคายานหรือมัคควิปัสสนาญาณคือปัญญานี่แหละเพราะะนั้นให้พิจรารณาให้เพ่งพินิษพิจรารณามีความเพียนเพ่งอยู่พินิษพิจรารณารู้เท่ารู้ทันปัจจุบันปัจจุบันในส่วนเรื่องของ จิตใจของเรานี่เรียกว่าการงานชอบการงานที่จะทำลายความหลงส่วนการงานภายนอกการงานสมมุติแล้วก็ทำไปการงานเพื่อกายการงานเพื่อร่างกายในเมื่อมันมีเหตุปัจจัย ข้ามาประชุมให้มีร่างมีกายขึ้นมาแล้วมันก็รับผิด ช, ชอบอยู่ด้วยกันเพราะส่นการงานภายนอกการงานเพื่อกายกเป็นการงานชอบคือการงานที่ไม่มีโทษนันก็จะให้เกิดความสุขเมื่อได้สิ่งตอบแทนจากการนั้นๆการงานนั่นนั่น ก็จะได้แลกเปลี่ยนบรรเทาทุกข์ไปด้วยความชอบธรรมการงานภายนอกการงานเราทำมาค้าขายหาเงินหาทองทำไรทำนาทำไรทำสวนเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่มารอเรี่ยงชีวิตของกายนี่แหละให้มันมีความ สงบระงับจากความทุกข์จากเวทนาไปบ้างแต่ถึงอย่างไงอย่างไงมันจะให้มันสิ้นสุดมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อใดยังต้องมามีอุปทานยึดมั่นถือมั่นมาเกิดในพบนั่นพบนี่อยู่เนี่ยมันก็ต้องมีภาระมาสัมปยุตกันอยู่อย่างนี้แหละ ที่นี่ก็ให้เอาธรรมะนี่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมะดังที่กล่าวมาในขั้นของทานของศรรีลก็คือการรักษาปฏิบัติต่อกายวาจาใจให้ปราศจากโทษในขอบเขตของศีลห้าธรรมห้าประการ มันก็จะตัดบาปในส่วนหยาบในส่วนเบื้องต้นนี่ระงับบาปให้สงบไปแล้วมันก็จะมามีบาปทางจิตซึ่งเกิดจากความนึกคิดปรุงแต่งความยึดความถือเราถือเขาถือกายถือ ท้าสมบัติอะไรต่ออะไรจึงมาปฏิบัติต่อจิตต่อใจด้วยการภาวนาการสร้างสติปัญญาบริกรรมภาวนานมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันจนเกิดผลคือสมาธิทำคือความตั้งมั่นของใจ ความไม่วกวแว้นงียงันคอนแคนความไม่มีอาสวะส่วนอยากคือความอยากความโลภโกรดเป็นเจ้าเป็นนายภายในใจก็จะมาลู้เท่าทัานที่มาสร้างปัญญาโดยการ นิพพิจารณานี่แหละวิตกวิจาร์แยากกายแยา ก, กจิตแยกสัญญาแยากสังขารแยกวิญญาณในอายตนะหกความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นีเรามาเจริญปัญญาจเจริญวิปัสนาปัญญา นี่จะตัดกงกรรมหรือทำลายกงแห่งความหมุนไปด้วยความไม่รู้นี่มีความรู้เท่ารู้ทันกงแห่งกรรมเนี่ยจะจะหยุดจะหยุดเราจะขาดออกไปได้ด้วยปัญญาญาณัศสนะที่เราเพ่งพินิษพิจารณา กายพิญนาขันธ์อานพิญนารูปพิญนาเวทนาสัญญาสังขารเมื่อมันติดอยู่ในส่วนสมมุติในธาตุสมมุติเบื้องต้นกับพิญนาสิ่งที่มันติดที่มันยึดมันอยากนั่นแหะมันติดอยู่ในวัตถุอะไรภายนอกภายในมันติดอยู่ใน กายในรูปก็มาเพ่งกายมาพิจนากายมารือ้อกายมามา้างกายเพ่งความเปลี่ยนแปลงในกายมีอะไรบ้างในกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องล่างแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบนแต่ปลายผมลงไปมันมีผมมีขนมีเล็บมีหนังมี เนื้อมีเอ็นมีกระดูกอย่างที่เราสวดสาธยายกายคตาสติก็มาเพ่งมาม้างม า, ม า, มาลือ้อเนี่ะเหมือน ก, นกันกับนายช่างเขาลื้อบ้านเรียนนี่เรามาเอาจิตของเราเนี่เป็นช่างเอาสติปัญญาของเราเป็นช่างมาลือ้อมาถอนกาหนดแพ่งถอนผมออกไป หลอกหนังออกไปถอนขนออกไปถอนเล็บออกไปถอนฟันออกไปแล้วมันมีอะไรหลอกเนื้อเทียนหนังตัดเส้นตัดเอ็นออกไปทุบกระดูกสุดท้ายมีอะไรเยื่อในกระดูกแลวมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคล ที่มันเป็นก็เพราะหลงรวมๆกันว่านี่เป็นเรานั่นเป็นเขานี่วิปัสนาคำว่าวิปัสนายกกิดขึ้นสู่การพิจารณาลือ้อกายเพ่งกายแพ่งให้มันเห็นความจริงที่มันเปื่อยมันเน่ามันแปรปวน เมื่อเนื้อหนังเปื่อยละลายไปเส้นเอ็นละลายไปเหลือแต่ ก, กระดูกโครงกระดูกหลุดออกไปกระจัดกระจายกาหนดพิจารณาทุบกระดูกเอากระดูกมาใส่ครกตำลงไปนี่นั้นจะมีอะไรลงไปเป็นธาตุเป็นดินในส่วนกายเนี่ยส่วนน้ามันก็หายไปเป็น น้ำเป็นไอ้น้ำไปตามธรรมชาติเขาแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสดต่างๆถาดน้ำเนี่ยที่เวลามันรวมกันมันประชุมกันอยู่มันก็มีอยู่ด้วยกันดินน้ำลมไฟส่วนเคสนุนแข็งก็เป็นทาดดินส่วนเหลวๆก็เป็นถาดน้ำความอบอุ่น ก็เป็นถาดไฟลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นถาดลมนีม่สอ่องว่างๆมันก็มีลมมีอากาศอากาศสถาดอาคลองรู้ๆนี่ก็คือใจนี่นะเอาใจนี่ะใจสร้างสติสร้างสติให้เกิดให้มีขึ้นด้วย ความมีใจสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยความมีใจนี่รยว่าปัญญาก็อยู่ที่ใจสติก็อยู่ที่ใจความรู้รู้ขึ้นมาที่ใจความหลงหลงอยู่ที่ใจเนี่ยอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยนี่วิปัสสนามาสร้างความรู้ความเห็นความเข้าใจให้เกิดขึ้นมันก็ททำลายความหลง ไล่ความหลงออกไปเห็นความเป็นจริงของกาย เ, ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเปื่อเน่าผุพังนี่วิปัสสนาวิปัสสนามแพ่งกายทำลายกายเรียวกว่ากำหนดให้มันเกิดขึ้นมันรวมกันขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดทำลาย จนมันรู้มันเห็นเข้าถึงจิตถึงใจถึงธรรมชาติรู้มันหายสงสัย้วไรเดียวว่าอุปทานความยึดความหลงว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขา ว, ว่านั่นว่านี่สิ้นสุดลงไปเหลือแต่ความรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตน รู้อันนี้จังไม่เที่ยงลู้ทุกครั้งความทนอยู่เป็นปกติไม่ได้แล้วมันก็ไปลู้อนัตตาความไม่ใช่ตัวต น, น, นเมื่อความรู้และความเห็นประมวลลงสู่ความไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าอุปทานสิ้นสุดเหลือแต่ธรรมชาติรู้เด่นแจมแจ้ง คำว่ารูเด่นแจ่มแจ้งเขาเป็นสมมุติเป็นสมมุติของปัญญาที่เมื่อรูเด่นแจ่มแจ้งแล้วธรรมชาติรูไม่มีอะไรนะอันเขาเป็นธาตุรูรูไม่มีสมมุติไม่หลงสมมุติอันนั่นอันนี่นี่ฝึกวิปัสสนาเดินปัญญาลื้อกายมาั่งกาย คือกายม่างกายแล้วมาลื้อสัญญาสังขารวิญญาณเองในกองห้ากองเนี่ยกองขันคือกองรูกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณถ้ามันยังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณมันก็มาหลงหลงวิญญาณในขันห้าว่าเป็น ใจหรือหลงใจไปเป็นวิญญาณในขันห้าเพราะฉะนั้นต้องตีวิญญาณในขันห้าวิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณลูกวิญญาณกายวิญญาณใจตีสัญญาความจาได้หมายลูกหมายดีหมายชั่วไม้ยเกิดหมายดับ สังขารความปรุงที่เกิดเกิดดับดับอยู่นี่ด้วยปัญญานี่เรียกว่ายกกิจขึ้นสู่วิปัสนาปัญญาเจริญปัญญาในขั้นการเจริญปัญญาเมื่อปัญญามันเสียบแหลมหรือว่า ปัญญามันร้อนความร้อนแห่งปัญญาเนี่ยมันสูงเหมือนกันกับไฟหรือเหมือนกับความร้อนสูงของน้ำน้ำมันอาศัยความร้อนของไฟพอไฟมีความร้อนสูงความเดือดของน้ำมันก็สูงแต่น้ำาน่มันไม่ใช่ไฟแต่มันร้อนเพราะน้ำ เมื่อน้ํามันมีความร้อนสูงทิ้งอะไรลงไปมันก็สุกเท่านั้นแ่ะสุกเพราะน้ํามันร้อนที่นี้ไฟน่ะมันเผาผานถ้าไฟมันร้อนสูงทิ้งอะไรเข้าไปมันก็ละลายเป็นจุนวิจุนไปแม่แต่วัตถุที่เป็นโลหะเป็น แม้แต่หินที่ความเป็นวัตถุแข็งแก่งเมื่อถูกความร้อนสูงก็ละลายไปทั้งนั้นในก็เหมือนกันทีนีกิเลสความไม่รู้ความหลงละลายด้วยปัญญาที่มีความร้อนสูงคือความฉลาดความรู้ที่ประชมลงเป็นยาณทัศนาน อุปท า, านทั้งหลายที่มันมีอยู่มันสิ้นสุดออกไปความหลงที่มันมีอยู่มันสิ้นสุดออกไปขาดออกไปเหมือนกันกับหินขาดเหมือนกันกับวัตถุต่างๆมันขาดจากกันเห็นไหมมันขาดจากสมมติจาก สัญญาสังขารวิญญาณ่ะมันก็เหลือแต่ธรรมชาติลูกไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่นี่ว่าธรรมที่สุดแห่งทุกข์ด้วยปัญญา หรือเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทรรมที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้ด้วยการปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นขึ้นที่ธรรมชาติรู้รูคือใจของเราเนี่ยมันจะหายทุกข์หายโศกหายโลภหายภัยหมด เยื่อให่หมดกังวลอะไรหมดเชื่อแห่งการนำไปสู่การเกิดการตายเรียกว่าสงบระงับทั้งกิเลสทั้งกรรมอาทั้งกิเลสสวัสดิ์กรรมวัฏ วิปากวัตเพราะกิเลสวัตก็เป็นสมมุติกรรมวัตก็เป็นสมมุติวิปากวัตก็เป็นสมมุติผู้ไปรู้กิเลสรู้กรรมรู้วิบาส น, นั่นเป็นวิมุตมติธรรมเป็นธรรมที่พ้นจากสมุติ นี่เคเรียก้นทุกข์หรือว่าหยุดการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่มีอีกต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจ ให้พึงเข้าใจเหตุปัจจัยและความหมุนเวียนความสุขความทุกข์ความอยากความไม่อยากความชอบความเกลียดความพอใจไม่พอใจนี่มันมีมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมนี่เมื่อ มาอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทานโอวาท ส, สอนสอนจิตสอนใจนี่แหละสอนสัตว์ก็สอนสัตว์ที่มีจิตมีใจที่สูงแล้วเช่นขึ้นสู่ความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ พรสมบัตินี่เน่ยยิงจะเข้าสู่วิมุตตินิพพานคือคนจากชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานคือการเกิดมันเป็นความกั น, กนดานมันเป็นความทุกข์ยากลำบากความแก่ก็เป็นความทุกข์ยากลำบาก ความเก็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์ยากลําบากท่านจึงว่าชาติกันดานชารากันดานพยาธิกันดานมรณะกันดานความตายนี่ยเวลามันยังไม่แยกจากกันเนี่ยมันทุกข์ทรมานสิ่งเหล่านี้มันเป็นกิริยาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากความหลงของจิตเนี่ย จากความไม่รู้แต่ยังเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้รือว่ารู้แต่รู้ไม่จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงอะไก็เรียกว่าถอนอวิชชาตันหามานัทิฐิออกจากธรรมชาติใจนั่นจึงเหลือแต่ ความสุขที่ไม่ตายไม่แปรผันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันเป็นผลมีใจเป็นที่ตั้งมีใจเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นดูเข้ามาที่ใจนี่ฝึกสติสมาธิปัญญามารู้ เป็นผู้ของใจนี่อยู่ใกล้ๆนี่ถึไม่ได้อยู่ไกลอยู่กับใจนี่แหละกับธรรมชาติรู้ๆนี่วความรู้อยู่ที่ไหนความไม่ความรู้ไม่จริงก็อยู่ตรงนั้นความรู้อยู่ตรงไห น, นความโลภก็อยู่ตรงนั้นความโกรธอยู่ตรงนั้นความหลงก็อยู่ตรงนั้น นี่เกี่ยงว่ามาภาวนาแก้ใจมภ า, าวนาแก้ใจสอนใจให้รู้ความเป็นจริงนี่เมื่อผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ไม่ทอดถอยไม่ทอดทุระริเยทุคมเจติ กูจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นให้ตั้งอยู่ในความเพียรในความไม่ประมาเทเกลตอหรือความหลงมันก็จะหลอกเรามันจะหลอกไปเรื่อยๆละ่ะพอจะภาวนามาให้ลูกความจริงมันก็ปัดออกไปซะ ก็ให้ไปหลงตามความมืดของกิเลสนั่นแหละหลงไปตามความมืดของอวิชชาตันหานั่นน่ะยินดีพอใจอยู่กับแต่ความสุข ที่ไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละความสุขสุขที่ประกอบอยู่ด้วยทุกเส้นพรมภ า, าวนากำหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธมันเกิดเป็นความไม่สบายแล้วในเบื้องตน้นมันก็จะลอกไม่ให้ภาวนาไม่ไปคิดไปปรุงตามเรื่องมันอยากคิดอยากปรุงสบายแน่มันก็ไปอย่างนั้น พอจะมาภาวนาด้วยการนั่งตัวตรงไม่ให้ขยับขยื่นมันก็บอกว่าไม่สบายนอนสบายหรือเคลื่อนไหวไปมามันสบายเนี่ยนั้นก็มาหลงอยู่ในอียบทยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละทีนี เพราะฉะนั้นเพื่อเอาชนะมันเอาถ้ามันว่านั่งมันไม่สบายถ้ามันว่านอนสบายก็ให้นอนภาวนา อ, อนภาวนาตั้งสติกำหนดด้วยไม่ต้องขยับขยื่อนไม่ต้องพลิกไปพลิกมาถาม้าว่านอนสบายนั่นเพื่อจะให้ความทุกข์เกิดขึ้น มันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวทุกข์มันจะเกิดขึ้นอีกทุกข์เกิดขึ้นก็สติปัญญาคมความรู้นี่ใมันรู้อยู่นั่นแหละมันดูทุกข์นั่นหะแบัดูทุกข์เกิดจากการนอนนอนนานๆนนเป็นทุกข์มันจะได้รู้เรื่องของทุกข์หรือทามันว่ายืนสบาย ถามันยืนอยู่นั่นลหลายชั่วโมงไม่ต้องให้มันขยับขยื่นสติจ่ออยู่นั่นแหละนี่คือให้ให้เห็นทุกข์พรพุทธเจ้าสอนธรรมะคือทุกข์นี่ในส่วนหนึ่งเรียกว่าภาวนาภาวนาดูอริยสัจสีดูทุกข์ คือให้มันเห็นถึงจิตถึงใจมันจะได้รู้มันจะได้แยกว่าอะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์เป็นใจหรือใจเป็นทุกข์หรือทุกข์ก็ต่างหากใจก็ต่างหากมันจะมีปัญญารู้จักแยกทุกข์ออกจากใจหรือแยกใจออกจากทุกข์แยกใจออกจากรูปแยกใจออกจากเวทนาทัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ มันจะมีปัญญามันจะเกิดความรู้ความเห็นเข้าใจได้นั่งให้มันทุกยืนภาวนาให้มันทุกอย่าไปคิดว่ายืนภาวนาให้มันเกิดความสงบให้มันเกิดความสุขยืนให้มันเห็นทุกนั่งให้มันเห็นทุกให้มันรู้เรื่องของทุก นอนให้มันรู้เรื่องของทุกข์เดินให้มันรู้เรื่องของทุกข์ถ้าว่าเดินสบายถ้ามเดินอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนตั้งสติกำหนดรู้เรื่องของมันอยู่นั้นเนี่ยมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เกิดจากทุกข์ได้รู้ทุกข์ในทุกข์เห็นทุกข์ในทุกข์มันจะรู้ การแยกทุกออกจากใจหรือใจออกจากทุกอันนี้มันจะเป็นธรรมะเกิดจากการปฏิบัติการกระทาของเราเองเรียกว่ารูธรรมของจริงรูธรรมของจริงที่ใจเพราะใจเป็นที่ประชุมแห่งธรรม ทำหลอกทำลวงทำแท้ทำจริงมันจะประุมอยู่ที่ใจนี่แหละเมื่อลู้จริงเห็นจริงลหายสงสัยที่ใจสิ้นสุดความลังเลสงสัยสิ้นสุดความหมุนของกิเลสสวัสดกรรมวัดวิปากวัฏเหลือแต่ธรรมชาติลูกที่ใจ ได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนญิโกน้องเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกนี่แหละสติให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องจนให้มันได้กำลังอันเป็นกำลังสติแล้วมันจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสติสติที่ตั้งมั่นด้วยการฝึกฝนอบรม เี่เป็นสติชอบแลลึกชอบแลลึกในการภาวนาเนี่ยจะได้สติธรรมล้วก็จะได้สมาธิเห็นผลของสมาธิหรือลูรสชาติของคำว่าสมาธิสมาธินั่นเรียกว่าเห็นสมาธิที่แท้จริง ไม่เห็นเพียงตัวหนังสือไม่เห็นเพียงเสียงที่ท่านพูดว่าสมาธิสติสมาธิปัญญามันจะมาลูกความจริงที่ใจของเราปัญญาที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงสติที่แท้จริงเมื่อมรรคประชุมลงรวมเป็นเอกมรรค เป็นความรู้ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาชอบอันเดียวเท่านั้นหละ่ะทุกทั้งหลายสิ้นสุดหมดความกังวลในจิตในใจของเรานโดยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ อัปมาโนพุทโธคุณของพระเจ้าไม่มีประมาณอัปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปมาโนสังโฆคุณของพระอริยสงฆ์สาวกผูพพ้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้ธรรมะความจริงตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเข้าเป็นกำลังแห่ง โุทโอันเดียวขอจงเป็นกําลังสนับส น, นุนจิตใจของท่านผู้สนใจใข้ในธรรมะปฏิบัติให้ต่อพืช ธ, ธรรูป ร, รมเห็นธรรมตามาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สัเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกประการ แปรธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอ